เดี๋ยววันนี้ขอรับกรรมฐานเข้ม40วันจริงๆนะยอมยกมือขึ้นแม่ชียกมือขึ้นคนที่อยู่กรรมฐานเข้ม40วันจะขอรับนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19อ่สตอนนี้เท่าที่นับตอนนี้19บพระคุณเจ้ากี่รูป หนึ่งสองโฟร์ทีเดโฟร์ทีเลมสี่ลมกระยมเป็นย0สิบเศษนะเดี๋ยววันนี้จะบอกตัวเลขของพ่ อ, อวันนี้วันที่หนึ่ง ของการปฏิบัติกรรมฐานแบบเต็มวันเลยตอนตเช้ากันถึงเย็ยนรวมตัวการทําวัดสวดมนต์ก็สังเกตอะไรกันได้บ้างอารมณ์ที่เราผ่านตัวรู้รู้ตัวกับตัวหลงหลงตัวมารู้ตัวได้มากได้น้อย เวลาคิดทันไหมทำาละวง่วงทำอย่างไรมีเทคนิคในการปฏิบัติอย่างไรพัฒนาการในแต่ละวันแต่ละวันนะโตอตอกตักท้วงอารมณ์เต็มเกิดซ้อนซอนขึ้นมาอย่างไรตัวรู้แล้ววิชาวิชาตัวไม่รู้เรียก ว, ว่าอวิชา รู้เรื่องกเกษตรกรรมกาิจกรรมศิลปรกรรมรู้เรื่องไฟฟ้าเรื่องปลาเรื่องเพืชเรื่องสัตว์มันเป็นวิชาทางโลกมากมายเหลือเกินสัตวแพทยนะ์รู้เรื่องสัตว์อันี้เรามาฝึกรู้เนะืรู้ตัวกรรมาฐานเข้ม40่ลัน ฝึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้การเคลื่อนการไหวแต่ละขณะเนี่ยเป็นวิชาเป็นวิชากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งที่ตั้งของการกระทำเราใช้การเคลื่อนการไหวของกายวัตถุรูปธรรมนี่ะทำเมื่อมัเกิดสภาวะ ธรรมชาติธรรมะหรือาสภาวะสติปัญญาเดี๋ยวว่าผู้ดูดูเห็นระหว่างง่วงกับไม่ง่วงเรียบเทียบกันได้เลือกเป็นเรื่องที่จะทำตามความง่วงรูวออกมาจากความง่วงรู้สึกตัวมีเทคนิคปฏิบัติจุดนี้อย่างไรเวลามันปวดมันเมื่อนั่งเดินยืนนอน เราดูมันอย่างไรรู้สึกตัววิชากรรมฐานได้ใช้หรือไม่เห็นอาการที่เกิดขึ้นได้ เ, เกี่ยวข้องถูกต้องยิ่งความคิดรู้ทันความคิดไหมวิชากรรมฐานนะ่ยมันรู้ทันความคิดอดีตอนาคตลักษณะของวิปัสสนากรรมฐาน มายงเห็นของจริงความทุกข์ที่เกิดในจิตในใจชเช่นวิบากวิบากกรรมนำไปเกิดวิบากอดีที่เคยผ่านมาทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปมีความสุขมีความทุกข์เขาทำกับเราเราทำกับเขาต้องพัดพลาจากของรักของชอบใจ ปรารถนาสิ่งใดไม่ใด้สิ่งนั้นความเกิดความคิดขณะปฏิบัติเรากลับมาเป็นหรือเปล่ากรรมฐานฐานกายการเคลื่อนการไหวอยู่นะตัวนี้แหละทำซ้ำๆจนชำนาญจนม่นเกิดความเข้าอกเข้าใจเป็นการสัมผัสรู้สึกขณะเคลื่อนไหวสัมผัสก็รู้สึก ขณะที่มันคิดก็รู้สึกอีงเหมือนกันเวลามันง่วงก็รู้สึกเองเหมือนกันมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็รู้สึกอีงเหมือนกันมันก็จะมีแต่ความรู้สึกตัวแหะสิ่งที่เราทำเรื่องอื่นๆก็เรื่องเหตุปัจจัยที่เราตองเกี่ยวข้องแบบกลมเกลืน่นแบบกมเกลืน่นที่ผ่านมาเราเคยเก็บกด เวลาปวดก็ต้องทนเอาไว้เวลาุดหงืก็ต้องทนเอาไวแต่พอเราฝึกกรรมฐานมันไม่ต้องทนมันไม่ต้องเก็บกดมันกลับมารู้สึกเหมืับปลดเปลื้องความทุกข์หลุดล่นลงไปทันทีทุกครั้งที่รู้สึกมันออกมาจากความคิดความทุกข์หายแวบไปทันทีตรงนี้แหละเราจะอาจจันใจเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็น สิ่งที่เหมือนกับเป็นปฏิหารก็ว่าได้เป็นปฏิหารในการเตือนอยู่เหมือเดินก็รู้ว่าเดินยกมือก็รู้ว่ายกมือตรงนี้มันเป็นปฏิหารรับประทานอาหารก็รู้ว่ารับประทานอาหารอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่กระทบสัมผัสก็รู้สึกจิตก็หมอกิการงานงานอันนี้เลยว่ากรร ม, มาฐาน งานกรรมฐานแก้วลงเข้มใช้รูปแบบฝึกหัดปฏิบัติทางจิตทางกายฝึกตัวสติให้รู้ไปในกายเห็นกายตามความเป็นจริงฝึกสติตามเห็นความคิดรู้ทันความคิดกระทั่งมันดูความคิดเป็นเห็นความคิดศัพว่าความคิดตัวนั้นเพราะฉะนั้นตัววิชา มันจะเกิดยากหน่อยถ้าหากว่าเราไม่มีความเป็นปกติแล้วก็มีความง่วงนิวรธรรมยังค้า ง, างยังคาอยู่ในใจอยู่มันทะลุดมาถึงความรู้สึกตัวนะ ม, นมันยากมากมาถึงกรรมฐานที่เรากำลังฝึกในะยากมากแต่ถ้าไม่มีนิวรแล้วก็มีศีลดีความเป็นปกติมก็ปรากฏมันจะตื่นตัว ทำไมถึงไม่รู้ชัดก็เพราะว่าอารมณ์หรือว่านิวรธรรมมันบังเอาไว้นิวรธรรมมีอะไรบ้างที่มันบงังเช่นความว่างเหงาหานอนความลังเลสงสั ย, ยนะมีกามพยาบาทกามก็คือไปให้ราคะให้ราคาทางหูทางตาทางจมูก ดมกลินลิ้นเล็มรถกายสัมผัสใจนึกจริตนิสัยเก่าๆมันเป็นการเป็นปยาบาทเป็นราคาเป็นปฏิฆะมันจะเกิดกิเลสัญหาขึ้น้านั้นเราจะต้องเป็นคนที่ปกติไม่ทุศีลเมื่อไม่ทุ ศ, ทศีลเป็นปกติจิมก็เตือนนี่วัลธรรมก็ไม่มีก็รู้ตรงๆลงไป ในสิ่งที่เรากำลังทําที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเข้มกันกันกรรมฐานเข้มมันก็เข้มตรงนี้แหละตรงที่มีตัวรู้มารู้สึกตัวนละ้ตัวรู้มารู้ตัวตัวสติคือตัวรู้นะห ร, รู้ความรู้สึกตัวตรงนี้ทําไมถึงมันไม่ปกติ เพราะว่าเราไม่อินรียสองวอนไม่สำรวมอินซีนั่นแหละอินซีสองวอไม่มีมันก็ไม่สำรวมจิตมันก็ไม่ไรู้เนื้อรู้ตัวถ้าแหลมมันออกไปทางตาหูจมูกลิ้นไปสนใจเรื่องนอกตัวมันไปสนใจเรื่องวัตถุรูปธรรมปัจจัยสี่ า, าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนงหม่ม เวลาปฏิบัติก็ยังไม่ต้องมาสนใจมากปัจจัยสี่ภายนอกแต่ว่าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้สักผ้าไม่ให้เรากะทานอาหารไม่ได้ห้ามแบบนั้นแต่เพียงก็ว่าให้เติมเต็มลงไปทุกครั้งที่มีการเคลื่อนการไหวกระทบสัมผสัสรู้สึกรู้สึกรู้สึกมันจะเป็นตัวผ่อนคลายขณะที่เราอยู่ในทางเดินวงกลมนั่งจั่งจังหัด เมื่อเทมีอยู่อลิบด์ซ้ำๆมันก็เบื่อแต่พอเดินออกมาจากฐานปฏิบัติไปหยิบไม้กวาดมากวาดตรงไหนที่มันเลอะเลโปลกเนี้ยมันก็ออก่าจากอารมณ์ที่เราติดขัดอยู่ซักเสื้อผ้าหรือ ว, ว่าตักน้ำตักข้าเอาน้ำเดืมมากรอกใส่ขวดมันจะตื่นขึ้นมา เราก็สังเกตทุกๆกิจกรรมแล้วก็เติมความรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปก็สํารวมตาไม่ดูได้เราก็ไม่ดูหูไม่ฟังได้เราก็ไม่ฟังเราก็พยายามเคลื่อนไหวเจตนากําหนดกระทบสัมผัสรู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกอย่างเงี้ยนะะทำไมเราถึงไม่สํารวมก็เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจะ มีการไข้ควรวนอย่างแยบคลายการไข้ครวรอย่างแยบคลายก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราสวดปัดชิมโอวาดโอสมเด็จสมมาของเจ้านี่ตั้งแต่บรรุธรรมท่านก็สอนมาเป็นเวลาสี่สิห้าปีเต็มบทแรกที่สอนคือธรรมจักขวาสตรบทแรกเลย ทุกบทก็ขยายผลออกมาจากธรรมจกักขภาาสูตรหลายสูตรมากมงคลสูตรเนี่ยนะสติปัฏฐานสูตรอีกมากมายแล้วเกินการละมาสูตรหรือว่าอนันตาลักนณสสูตรมันขยายแต่ออกมาแต่ครั้งแรกคือธรรมจักรัอ น, นอัญญากอัญญาม่รู้ทำเรื่งพระสองรูปสุดท้ายคือ สุพัทธะปริภาชกขณะที่จะเสด็จดับขันบริณิพานไปก็ได้สอนสุพัทธะให้เดินชงกรมวันเพ็ญเดินหกคือสิบห้าขัมสุพัทธะปรลิภาชกกับรรลุปเป็นพระหลานรูปสุดท้ายเลยหน้าตาจะขาวผ่องทากลางแสงจันมีลาสีลักษณะมา แสดงถึงความรู้ทิมแตกฉานบรรลุธรรมรูกรวิถีรู้โลอย่างแจ่มแจ้งขณะใกล้าตายองค์สมเด็จสัมมาจ้าได้สรุปจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอภมาเทานะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเราก็มาใครควรดูนะ ยังแยบคายว่าเออบันนี้ถ้าเราไปถอดทำแล้วก็ทำยากยากนังของโอยลูกของโอยก<อเ>็ แ, แสดงว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้านี้แย่กว่านี้เพราะชีวิตลำแก่ลงแก่ลงแก่ลงชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปล่วงไปบันนี้เราทำอะไรอยู่เ <ๆ S 1> มื่อเรามาฝึกกรรมฐานเราก็จึงทุ่มเทลงไปเลย มีกำลังเท่าไหร่กำลังสัทธาใส่ลงไปเต็มร้อยเลยขยันเคลื่อนไหวอย่า้ทำไมเรายังไม่มีโยนิโสมัสิการยังแยบคายนะรวบสรุปกับประเด็นสติฐานสี่นทางเอกคนทางเดียวสู่การรู้แจ้งไม่มีทางอื่นนะการบรรลุธรรมันย่อเดินไปตามล่องของสติรู้กายสติเห็นกาย สติดูกายเจ้าทั้งมันดูเวทนาดูจิตดูธรรมอ่ะทางอื่นไม่มีตราบใดยังดูรูปธรรมนามธรรมไม่เป็นนะมันจะดูไม่เห็นอาการของรูปธรรมนามธรรมเลยอะไรมันคือสภาวะที่เราหลงเข้าไปเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เรื่องของกายเรื่อ ง, องจิตใจทําไมเรายังไม่แยบคายก็เพราะว่าศรัทธาเรายังไม่มี ทำไมไม่ปฏิบัติศัทธามันยังไม่มีความเชื่อนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะี่มันเป็นเรื่องของการฝึกสติทําให้จิตของเรามันเป็นปกติเรว่อศีลปากฏตรงนี้มันยังไม่เชื่อมันยังเชื่อบางคนตื่นข่าวยังสนใจรูปรสกลิ่นเสียงนะการพูดการคุยกันนะก็แสดงว่าศรัทธาความเชื่อเรื่องการปฏิบัติยังไม่มี ศรัทธาต่อสถานที่ยังไม่มีความยำเกรงในพระพุทธความยำเกรงในพระธรรมความยำเกรงในพระสงฆ์ความยำเกรงในพระศาสดาความยำเกรงในบทสนทนาความยำเกรงใ น, างใ น, ในการเรียนรู้ยังไม่มีเมื่อมันยังไม่มีความเกรงใจมันก็ทาอย่างที่ him, <Mun> nice. มันเคยทํานั่นแหละเคยมีนิสัยอย่างไรมันก็เป็นอย่างที่มันเคยเป็นนั่นแหละ เมื่อนิสัยไม่เปลี่ยนพัฒนาการไม่เปลี่ยนกระทุกเหมือนเดิมนั่นแหละปัญญาไม่งอกไว้งามเพราะนั้นการจะฟังให้เกิดศรัทธาก็ต้องฟังสัจธรรมความจริงที่มีในตัวเราทุกคนไม่เว้นนั่งเดินยืนนอนทุกครั้งที่กระทบสัมผัสรู้สึกนมันคือความจริงนะ นีไม่พ้นหรอกการนั่งการเดินการยืนการนอนทั้งวันกับพิตาหายใจไม่ ว, ว่าประเทศไหนชาติไหนก็บพิตาทั้งหมดนั้นชาติไหนประเทศไหนเด็กแก่ชายหญิงหายใจทั้งหมดนั่นน่ะนั่งก็เมื่อยเหมือนกันหิวก็ต้องหามากินกินอิ่มก็ต้องขับถ่ายก็เหมือนกันใส่ธรรมเผลอเมื่อไรเป็นคิดไม่คิดอดีตก็คิดอ น, นาคตไม่คิดอดีนตนะก็วิภาวิจารณ์ คิดมีต่ความคิดคอภัยกฎกระดาษปฏิบัตินะแล้วก็ไม่รู้อะไรเราคือทํามะความคิดเราไม่ห้ามเลยว่าเมื่อคิดขึ้นมาก็รู้เท่ารู้ทันรู้สึกตัวมันก็คือความจริงทุกครั้งที่รู้ทันความคิดเห็นความคิดความคิดก็หยุดคิดสิเรื่องก็รู้สิบเรื่องนั่นแหละไม่ใช่รู้หนึ่งเรื่อง2เรื่องสามเรื่อง คิดยี่สิบเรื่องคิดห้าสิบเรื่องรู้เท่าที่มันคิดนั่นแหละจะช้าจะเร็วตรงนั้นนะอีกเรื่องหนึ่งแต่รู้ทันให้มันครบไปเลยมันคิดร้อยเรื่องรู้มันร้อยเรื่องนั่นแหละไม่ใช่ก็คิดร้อยเรื่องรู้มันเรื่องเดียวสองเรื่องอันนี้มันเด็กอนุบาลเกินไปกรรมฐานเข้มก็ต้องรู้เท่ารู้ทันแต่บางทีมันคิดใกล้จบแล้วรู้ทันบางทีมันคิดกลางๆแล้วรู้ทันบางทีมันคิดปั๊บรู้ปุ๊บ ให้มันว่องไวตัวนี้ต้องตั้งมัน่นแยบคายใส่ใจลงไปสักหน่อยเราก็จึงเวลาปฏิบัติกับตัวใครตัวเราละเราจะมากัสองคนแม่ลูกพ่อลูกหรือว่าเพื่อนกับเพื่อนกันต่างคนต่างไปเวลาเก็บอารมณ์เข้มไม่ต้องเดินไปด้วยกันโจูมือไปด้วยกันไม่ต้องเวลาตายมันตายคนเดียวไปมรรคผลนิพพานก็ไปคนเดียว เวลาทุกกระทุกคนเดียวไม่มีใครจะแบ่งบาปบาเลาเราได้หรอกเพราะฉะนั้นทุกเกิดจากความคิดกละรู้ทันเอาเองใช้ฝีไม้ลายมือของตัวใครตัวเรากันเราก็จึงไม่คุกครีแต่ถ้าจะพุกคุกคีกั น, นในเวลาทําวัดสวดมนต์มามาเจอกันฟังเทศฟังธรรมของจริงทําไมเราไม่ได้ฟังสัจธรรมก็แสดงว่าเราไม่ได้เจอสัตบุรุษยังไม่เจอผู้รู้อย่างแท้จริง ก็เลยหล อ, อกันไปวันๆแต่ว่าทำ ม, มานี่ยมันหล อ, อกกันไม่ได้กูบ า, าลลอาจารย์หลอกลูกจิตกันไม่ได้ลูกจิตห ล, ล อ, อกาาลกูบาอาจารย์กันไม่ได้สิ่งเดียวกันเวลาเผลอหลงไปนะหลงแล้วโกรธหลงแล้วโลภหลงแล้วหลงหลงแล้วรักหลงแล้วชั่งหลงแล้วเป็นสุขหลงแล้วเป็นทุกข์เปลี่ยนเป็นรู้กับรู้เหมือนกันกูบาอาจารย์ท่านรู้ยังไงท่านเดินทางไปก่อนอ น, นั้นมัก็เรื่องของท่าน วาเราเดินถึงไหนเราก็ต้องเรียกว่าใช้เวลาสี่สิวันเนะี่ยทุกๆๆทุกทุกขณะทุกทุกวินาทีให้มันเกิเกดประโยชน์สูงสุดเลยเราอยายามที่จะกลับมาหากรรมฐานที่ฐานกายโอ้สมเด็จสมาถจะได้พูดเอาไว้นะอันนี้มันจะจำมาพูดให้ฟังคนที่จะสามารถรู้ได้ยินได้ฟังตอนเช้าแล้วก็บ่ายไปรู้ทำ คนที่จะสามารถได้ยินได้ฟังเสธธรรมนะตอนเย็นวันลุงึ้นกับรรู้ธรรมนะจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหนึ่งอตอนนี้ใครนั่งคอหักล้วกรอดโปรดดูตัวเองหนะ่อยคอมันหักแล้วเมยด้ยหเวลาฟังธรรมแล้วคอหักเนแสดงว่าจิตไม่เตื่นนะ สลัดความว่นเหวห่าเหว่านอนออกมาจากความสงบมาเคลื่อนไหวรู้สึกก็ได้เมื่อกี้พูดว่าองค์ส ม, ม, มเด็จสมมาเจ้าเนี่ยบอกถึงว่าใครที่ได้ยินในตอนเย็นนะเช้าวมรุธันนะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหนึ่งไม่มีโรคมากนะโรคไม่มีมากเพราะปกติโรคม า, มากนั่งโวยลูกกอวยเวทนาดูดหมด ความเจ็บความป่วยไปกินหมดตัวสติเนี่ยมีกําลังน้อยๆตัวรู้มีกําลังน้อยๆตัวหลงมีกาลังมากเมือนมันหลงมากๆก็กไปหมดเจ็บปวดหน่อยมันก็ไปแล้วปวดหัว่าตัวร่อนก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคนที่เก็บอารมณ์เข้มสี่สิบวันคือต้องดูแลตัวเองให้ดีโรคเนี่ยต้องให้มีน้อยจริงๆ อย่งั้นเดี๋ยวก็ยานั่นยานี้เดี๋ยวก็ลงพยาบาลเดี๋ยวก็ไปนั่นไปนี่แหะปรเดี๋ยไม่ต่อหรอกต่อไปก็คือไม่มีมายาไม่เป็นคนมีมัญญาไม่เป็นคนที่โอ้อวดประเภทกูเก่งกูไม่เก่งไม่ต้องมาใช้เลยเวลาเก็บอารมเก็บมาอยู่ไปวันๆหนึ่งไม่เป็นตัวของตัวเองเลยให้ทําอะไรก็ทําไม่หวังว่าจะได้อะไรกลับไปเลยธรรมะไม่มีอะไรน่าเอา เอาไปไม่ได้ไมีแต่ปล่อยวางธรรมะนี่มีแต่ปล่อยวางระดับแรกรงวางกายวางใจให้เป็นนั่นแหละขณะเคลื่อนไม้เคลื่อนมือรนะวางไม้วางมือวางยังไงวางจิตวางใจรนะวางยังไง ร, รู้สึกตัวบางทีมันก็ยึดบางทีมันก็วางบางอย่างยึดเพื่อเทียรวางบางอย่างไม่ถือไม่จับมันก็ไม่ต้องวาง มันมีอยู่ตอนนี้เราถือเอารูปแบบแต่ว่าเคลื่อนมือแต่มันวางมือให้สังเกตเธอบางทีเดินจงกลมนานๆนะปฏิบัติธรรมไม่รู้จะเอามือไปวางตรงไหนใส่กระเป๋าก็แล้วกอดอกก็แล้วบางทีต้องหาผ้ามาพันคอแล้วเอามือห้อยลงไปบางทีก็จับข้างหลังบางทีก็โอ้สารพัดนั่นนะ ตรงนี้ก็คือใจมันยังยึดอยู่มันไม่ใจเคลื่อนไม้เคลื่อน ม, อนมือรลวางใจนะถ้ามีสติมีปัญญาจะรู้จักไปวางมันถึงจะวางทุกข์ได้มันถึงจะวางความคิดวางอารมณ์เป็นจากอยาบไปหาละเอียดตรงนี้เราฝึกให้เป็นทําให้เป็นดฉะนั้นเราไม่มีมารยาสาไถยกัความโอ้อวดมันต้องมาใชนะ้ที่นี้อยู่ไปวันๆ น, น, น่แก้งโงดีที่สุด อ่ะคุณสมบัติคนที่รู้ทำมาได้ง่ายก็คือเป็นคนที่ไม่อยากใหญ่ไม่ได้มีความอยากใหญ่ตัวเล็กที่สุดไม่มีตัวไม่ไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนยิ่งดีอยู่ไปวันๆแบบไม่ต้องลำดับความสำคัญญาติพี่น้องมานับญาติกันที่วัดป่าสกโต ต่างคนต่างอยู่กันแบบไม่ต้องรู้จักกันเลยเดี๋ยวสี่สิบวันก็ามารู้จักกันตอนนี้อยู่แบบอยู่คนเดียวในโลกเลยเพิงจะอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนระวังคําพูดอยู่คนเดียวระวังความคิดให้ระวังเอาไว้เวลาปฏิบัติธรรมในเวลาเราเก็บอารมณ์เงียบๆปีกิเวกไม่คุกครีเราก็ทําใจให้แยบคายเลยนะโอ้จุดอ่อนของเราแต่ละวันมีเยอะมากๆาก ที่มห้เราเดินเจงกลมให้เรานั่งสร้างจังหวะมันจะพาลุกผานั่งผุดลุกผุดนั่งร้อนลนรุ่มร้อนภายในจิตใจอยู่นั่นนะเข้ากรรมาฐานยากราะนั้นไม่อยากใหญ่ข้อสุดท้ายนี่สำคัญคนที่จะมีคุณสมบัติรู้ธรรมะได้ใบ้คือสามารถทีจาแทงทะลุเห็นกินเลส แล้วเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกิเลสกิเลส เ, เป็นเหตุแห่งทุกข์กิเลสเกิดขึ้นจากตัวคิดนะถ้าเราสามารถเห็นการเกิดดับของความคิดได้ะบรรลุธรรมจะรู้ได้มากรู้ได้น้อยนะเคลื่อนอยู่แล้วเรารู้ชัดขนาดไหนความคิดเห็นความคิดชัดขนาดไหนก่อนจะเห็นความคิดได้ชัดก็ต้องเนี่ยผ่านนิวรัตธรรมก่อน นี่วัฒธรรมจึงเหมือนด่านกั้นจิตเป็นดัมเบลยกให้กล้ามโตหรือว่าเป็นปุ๋ยทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามฉันใดก็ทำสติก็ต้องมีตัวความคิดตัวกิเลสนี่แหละมาเป็นปุ๋ยให้พืชเจริญงอกงามมากตอนนั้นสติคือตาในตาเนื้อเนี่เห็นว่าถูกรัตธรรมเราเห็นกันแต่ว่าตาในสติปัฏฐานสติสัมปญะมันเห็นตัว มันเองแล้วเห็นตัวรูปธรรมนามธรรมเห็นความคิดซึ่งความคิดในคนอื่นไม่เห็นเราแต่เราในเห็นความคิดของตัวเราเองเพราะฉะนั้นตาในตาสติตาปัญญาเราก็ต้องเรียกว่าเจริญเจริญสติให้มันว่องไวจนเป็นไหวพริบปฏิบัติฉลาดด้วยเฉลียวด้วยรู้เนื้อรู้ตัวรู้รอบ เวลาความคิดเกิดขึ้นก็รู้เท่ารู้ทันถ้ามันยังไม่ทันก็กลับมารู้สึกที่ฐานกายรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินะที่ทําให้เราเกิดการรู้ทำได้ไว้นะอันนี้องค์สมเด็จสมมาเจ้าได้กล่าวไว้ที่วัดนะเพสกวันแคนะวนพักคนะุเรียก ว, ว่าโพธิราชกุมารสูตรในสอนพวกอินทรียอ่อน คนสีลูกคุณหนูหรือ ว, ว่าโอรสาทิราชพวกนี้อยู่วังมาก่อนนะทนความลำบากไม่ได้แตนน่เราก็จึงเป็นผู้ที่น่ะสำรวมระวังประมาณในการบริโภคแล้วก็ขยันหมั่นเพียรในการที่จะสร้างสติจิตสติในรูปแบบให่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทำให้ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่อ ง, อง น, น, นะรู้ให้เป็นปัจจุบันแล้วก็รู้เฉย ไม่ห้ามความคิดคิดขึ้นมาให้รู้ทันอย่างนี้นะอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีทําซื่อๆอยู่ไปวันๆทําแบบไล่ตัวไล่ตนเลเพียงแค่ว่าเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอนนี้มันคือเทคนิคแนวปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวที่หลวงปู่เทียนเจียโปได้ฝากล่องฝากรอยไว้อนุชนรุ่นหลังเดินตามเราก็เดินตามรอยนี้ไปเลย ได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามนะตลจบจะประเด็นเอามาตลอวันตลอนะข้อใดข้อหนึ่งที่มันสามารถที่เป็นสิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลทำให้เราปฏิบัติแล้วก็มีลักษณะของบรรยากาศกรรยามิตรการยานธรรมจนทั้งยกจิตของเัวเองสูงขึ้นไปจนเป็นพระอาริยะชั้นใดยะนหนึ่ง อาจจะเป็นว่าที่โสดาปฏิมักอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นโสดาปฏิผลอาาคารมักอาณาคามีผลนะโยกโดดไปถึงอรหันต์เลยก็แล้วกันก็คือมันเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลมันเป็นทางเดินสู่มักสู่ผลความรู้สึกตัวนะแต่ว่ามันจะเดินถึงไหนอย่างไรไม่เป็นไรหรอกเพียงแค่มีความรู้สึกตัวแต่ละขณะ ตรงนี้ภาวะผู้ดูมันปรากฏก็สนุกแ ล, ะละ้วล่ะมันไม่ทุกข์เวลาเห็นอาการอื่นๆเกิดขึ้นมันสนุกมันจะมีความรู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นตาตื่นใจอยู่ภายในใจของเราความเป็นปกติมันเด่นสติที่มันออกหน้าออกตาเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงคือสัจธรรมในตัวเราทุกคนรู้รูปธรรมรู้นามธรรมน เห็นตัวกิเลสตนันหาวประทานอย่างเงี้ยนะเห็นกิเลสกรรมบิบากอย่างเงี้ยด้วยเห็นแล้วนะของศีลที่ปรากฏนะสมาธิทิมปรากฏหรือว่าปัญญาทิ ม, รมปรากฏขึ้นมาในความรู้รู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมีศีลมีสตินะปรากฏขึ้นมาเราก็จะได้สัมผัสแล้วก็อ๋ออาการต่างๆที่ปรากฏมันพูดไม่ได้เลยมันไม่ใช่เป็นภาษาความคิดเนี่ย แล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกนี่ไม่ใช่บริกรรมไม่ใช่มีซ้ายมีขวามียุบหนอพองหนอมีสัมมาละหังมีพุโทโธไม่ต้องหรือว่าเคลื่อนไหวปับ๊บมันพูดว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวนไม่ต้องมีตัดทิ้งไปเลยมันคือความคิดนั่นเองให้เหลือแค่สัมผัสรู้สึกสัมผัสแล้วก็สึกนัคือการเดินทางมันเพียงพอแล้ว กับการเดินทางสู่มรุสูพน์วันนี้ก็พูดมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ได้พูดในเรื่องของประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็อ้างถึงพระพุทธพจน์เมื่อกี้ที่เราสวดบนกันก็นกนเรื่องของปัจฉิมโอวาทหรือว่าพระพุทธพจน์ในเรื่องของตั้งแต่เราไม่เจอกับสัตุรุลจนกระทั่งไม่รู้จักตัววิชาแล้วก็มาพูดถึงเรื่อง โปรทีตราชกมานสูตรซึ่งเราสามารถน้อมเข้ามาแล้วก็ประกอบกับ ก, บการปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นสูตรสำเร็จอุจจัยเดียวสู่การรู้แจ้งในระยะอันใกล้นี้ก็ขอให้บังเกิดจสดงธรรมความเป็นจริงสมควรแก่การปฏิบัติแล้วก็เดินทางสู่การพ้นทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนาการทุกท่านเถอด